องเนี่ยนะใช้พยัญชนะอักขระใช้ถ้อยคําไม่มีประมาณเพื่อจะชี้ให้เราเห็นว่านี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทานี่ก็เหมือนกันอย่างสูตรที่เราเรียนเนี่ยนะปฐมปฐมนิพานสูตรทุทติยานิพานสูตรก็เพื่อจะอธิบายวันนี้คือทุกขานิโรธคามินีปฏิปทาใช้คํามากมายอธิบายเพื่อจะให้เราทั้งหลายเห็นอริยสัจเป็นต้น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 แล้วก็เงียบโสดลงฟังธรรมพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทราบเนื้อความนี้แล้วพระองค์ก็เปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าดูก่อนพิสูนทั้งหลายธรรมชาติไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทำไม่ได้แล้วอันปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่อันนี้เท่ากับยืนยันวันนิพพานเนี่ยมีอยู่จริงนะสิ่งที่พูดถึงเนี่ยอชาตังอะภูตังอกะกตังอะสังคตังเนี่ยมีอยู่จริง ไม่เกิดคืออาชาตังไม่ไม่เป็นแล้วก็คืออาภูตังอันปัจจัยกระทําไม่ได้ก็คืออากตังปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้ก็คืออาสังกตังเศรษกาจนี่มีอยู่จริงอาชาตังอภูตังอากตังอาสังกตังเนี่ยนะมีอยู่จริงดูก่อนพี่สุทั้งหลายถ้าว่าอาชาตังอภูตังอากตังอากระตังและอาสังกตังไม่มีอยู่จริงไซ ถ้านิพานไม่มีอยู่จริงๆดังที่กล่าวนะการสลัดออกจากชาตังภูตังกตังและสังฆตังจะไม่พึงปรากฏในโลกเลยอันนี้แปลบาลีบางทีมจะเข้าใจง่ายกว่าภาษาไทยหน่อยถ้าว่าถ้าว่านี้ประโยค ก, ก, ก็คือถ้าว่าถ้าว่าวันนี้ฝนตกฟ้าครึ้มแผ่นดินไว้เราไม่ได้มาฟังธรรมรอกอัน น, น, นี้ประโยคถ้าว่าปแปลว่าสิ่งนี้ไม่มีจริงฉันใด ถ้าหากว่า น, นพิพานไม่มีจริงอันนี้ประโยชน์าว่านี่ถ้านิพานไม่มีอยู่จริงนะการออกจากสิ่งที่เกิดสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งสิ่งที่ถูกปัจจัยสร้างขึ้นไม่ปรากฏมีในโลกพระพูดแบบภาษา เ, เน้นอีกในหนึ่งก็บอกว่าถ้านิพานไม่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็ไม่มีอยู่ในโลกการตรัสรู้อริยสัจก็ไม่มีอยู่ในโลกการออกจากวั ต, ตะก็ไม่มีอยู่ในโลก ดูก่อนพิสูจน์ทางหลายก็เพราะว่าธรรมชาติอันไม่เกิดแล้วไม่เป็นแล้วอันปัจจัยกระทําไม่ได้แล้วปรุงแต่งไม่ได้แล้วมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออกซึ่งธรรมชาติที่เกิดแล้วเป็นแล้วอันปัจจัยกระทําแล้วปรุงแต่งแล้วจึงปรากฏก็ทบทวนใหม่อีกครั้งหนึ่งนะว่าอชาตังอะภูตังอกตังอะสังคตังเนี่ยมีอยู่นะสรุปว่ามีอยู่ สรว่าพระนิพพานมีอยู่ถ้าพระนิพพานไม่มีอยู่การออกจากสังขารก็มีไม่ได้ใช่ไแต่เนื่องจากพระนิพพานมีอยู่การออกจากสังขารจึงมีได้ถ้าพูดแบบชัดภาพอีกชัดหนึ่งนะก็เพราะว่านิพพานที่ไม่เกิดในนรกมีอยู่ ถ้าหากว่าพระนิพพานไม่ไม่เกิดในนรกไม่มีการออกจากนรกจะมีได้ไหมไม่ได้ก็เนื่องจากว่าพระนิพพานเป็นที่ออกจากการปฏิสนธิในนรกมีอยู่การไม่ปฏิสนธิในนรกจึงจึงมีพันธะนิพ พ, พานจึงเรียกว่าอัจฉตังเป็นธรรมชาติที่ไม่ทําให้เกิดในในนรกเพราะถ้าตรัสรู้พระนิพพานก็เลิกเกิดในนรกอย่างนี้ หรืออีกในหนึ่งบอกว่าเพราะพระนิพพานเป็นที่ออกจากการเกิดเป็นเดรัจฉานมีอยู่ถ้าหากว่านิพพานที่ออกจากการเกิดเป็นเดรัจฉานไม่มีอยู่มันจะยังไงมัต้องเกิดเป็นเดรัจฉานใช่ไหมแต่นี้เนื่องจากว่าพระนิพพานที่ตรัสรู้แล้วออกจากการเกิดเป็นเดรัจฉานมีอยู่นะพันธการออกจากเดรัจฉานจึงมีได้อย่างพระอนุ์เป็นต้นท่านก็ออกจากการเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานได้ก็เนื่องจากท่านแทงตลอด พระนิพพานลองคิดดูนะถ้าพระองค์คุริมาลไม่เห็นนิพพานอะไรจะเกิดขึ้นไปไหนดีชัมภูกะชีวกถ้าไม่เห็นนิพพานเนี่ยนะก็ไปอบายสัจพันธ์ฤาษีถ้าไม่เห็นพระนิพพานก็ไปอบายมีมีผู้ที่ล่วงกรรมบดมากมายเนี่ยนะแต่เนื่องจากท่านเหล่านั้นพ้นจากอบายทุคติวินิบาศนารกเป็นต้นได้เนื่องจากท่านแทงตลอดพระนิพพานนั้นพระนิพพานนั้นเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิด คือหมายว่าเป็นธรรมที่ไม่ทําให้เกิดในนรกเกรดอสุรกายเป็นต้นและก็ไม่ใช่มีแบบนิพพานนี่อย่าไปคิดว่ามีแบบอะไรนะแบบที่เราเห็นเห็นนี่ก็ไม่ใช่และก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ถูกก่อสร้างขึ้นแล้วก็เป็นธรรมชาติที่ดับการก่อสร้างวัตตะอย่างแท้จริงสิ่งเหล่านี้มีอยู่น ะ, ะในอัตถกถาบอกว่าเมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศโทษของสังสารวัฏโดยอเนกปริยาย สังสารวัตรมีโทษยังไงบ้างโทษของสังสารวัตรนะก็เนี่ยความทุกข์ทั้งหลายที่เราได้ฟังในโลกนี้ทั้งหมดก็เพราะการเกิดในสังสารวัตนี่แลหละนะประสบอุบัติเหตุความทุกข์ความเดือดร้อนความเกความแก่ความเจ็บความตายการประสบอุบัติเหตุความเดือดร้อนความทุกข์ในอบายทั้งหลายนี่แหละเรียกว่าความทุกข์ในสังสารวัต ผู้ที่ได้รับความทุกข์จริงๆเนี่ยนะถามว่าพอจะมีปัญญาเกิดได้ไหมผู้ที่จมอยู่ในความทุกข์จริงๆโดยมากกําลังลุ่มหลงผู้ที่กําลังมีความสุขที่แท้เออความสุขมากๆก็พวกนี้ก็เพลิดเพลินทุกมากก็ลุ่มหลงสุขมากก็เพลิดเพลินไอความลุ่มหลงเรียกว่าอวิชชาความเพลิดเพลินเรียกว่าตัณหา ความลุ่มหลงทำให้เกิดมิจฉาทิฏฐิความเพลิดเพลินก็ทาให้เกิดความทะเยอทะยานในพบต้องการมีแต่ต้องการใหม่ๆไปเรื่อยๆแต่ว่ายิ่งมากไปด้วยความหลงมากไปด้วยอวิชชาพระองค์ก็เลยบอกว่าสัตว์ทั้งหลายผู้มีอวิชชาเป็นเครื่องกลางกั้นมีตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดก็เวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยนะอะไรบ้างโทษของผู้เกิดมาแล้วมีอะไรบ้างมาไล่ดูนะ ถ้าเราจะต้องไปเป็นแบบทุกคนเป็นในโลกทั้งหมดนี่อะไรจะเกิดสมมติถ้าเราจะต้องไปเป็นเดรัจฉานทุกประเภทจะต้องไปเป็นสัตว์นรกทุกจำพวกจะต้องเป็นเปรตทุกประเภทจะต้องเป็นอสุรกายทุกกลุ่มแล้วจะต้องเป็นเดรัจฉานทั้งเป็นสัตว์บกทั้งสัตว์น้ำเป็นปลาทุกชนิดเป็นกุ้งทุกประเภทเป็นต้นเนี่ยนะใจได้ไหมถ้าเรามาเป็นมนุษย์ทุกเผ่าพันธุ์ทุกทวีปะเกิดเป็นเทวดาเขายงชั่วเนยนะ เอาเอ า, เอาแต่ถ้าแต่ว่าเป็นเทวดาก็ไหลกลับมาม า, มาเหมือนเดิมอีกเนี่ยนะถามว่าหน้าพอใจไหมนะ ก, ก็คือสรุปว่าไม่น่าพอใจนะเพราะตำรับตำรา ว, วิชาการในโลกนี้ทั้งหมดก็เพื่อจะอธิบายวัตตะนี่แหละแต่ว่าคนลทัศนคติคนละมุมมองกันไปเมื่อสังสารวัฏเป็นอย่างนี้พระองค์ก็แสดงนิพพานโดยเทียบเคียงคือนิพพานเนี่ยตรงกันข้ามกาบับ ตรงกันข้ามจากสังสารวัตเหล่านี้ทั้งหมดนะภิกษุเหล่านั้นก็พอฟังแล้วก็มีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าประกาศสังสารวัตรนี้สังสารวัตคืออะไรสงสารนะคือลำดับแห่งขันอริยตนะธาตุที่ไหลสืบเนื่องกันไปพร้อมด้วยเหตุเหตุที่ทําให้เกิดขันธาตุอริยตนะคืออะไรบ้างอาวิชชาอนนะ ขันห้าจะเกิดเพราะอะไรทําให้เกิดอวิชชาเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะตันหาเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะกรรมเกิดขันห้าจึงเกิดเพราะอาหารเกิดรูปประคันจึงเกิดเพราะผัสสะเกิดเวทนาสัญญาสังขาระเกิดจะเกิดได้เพราะอัฏฐาว่ามีการกระทําให้แจ้งหรืออัฏฐาว่าอย่างไรพระนิพพานเนี่ยมีอยู่เป็นาาอวิชตัณหากรรมและอาหารผัสสะนามรูปแต่พระองค์ก็ไม่ได้ตรัสถึงเหตุอะไรอะไรแห่งพระนิพพาน ที่เป็นตัวที่สงบสังขารเหล่านั้นนิพพานนี่เป็นธรรมชาติที่สงบอุปาทานขันธะใช่ไหมเป็นธรรมชาติที่สงบทุกข์ท่านิพพานเนี่ยเป็นอะเหตุกะหรือเป็นสเหตุกะท่านิพพานเกิดจากเหตุหรือไม่ได้เกิดจากเหตุใช่ไหมก็เลยสงสัยเอ่นิพพานนี้เป็นอะเหตุกะนั้นนะ่ะจะเกิดได้เพราะอาธิว่ามีการกระทําให้แจ้งหรืออาธาิว่าอย่างไร เอพระนิพพานเนี่ยมีอยู่เป็นเหตุตุกะมีอะไรทําให้เกิดไหมเขาบอกว่าทุกขสัตว์มีสมุทัยสัตว์เป็นเหตุใช่ไหมนิโรธจักจะมีอะไรเป็นเหตุอริยมรรคเนี่ยเป็นเหตุให้ตรัสรู้นิพพานแต่ไม่ใช่เป็นเหตุสร้างนิพพา น, น, นเนี่ยนะทุกขสัตว์จักะนี่นะสมุทัยสร้างขึ้นจริงอันนี้ถูกต้องทุกทั้งหลายสมุทัยเนี่ยสร้างขึ้น แต่ทำที่ดับทุกเนี่ยไม่ใช่มรรคเป็นตัวสร้างแต่มรรคเป็นข้อปฏิบัติเพื่อให้เข้าถึงอย่างอย่างสมมุติว่าโรคโรคภัยไข้เจ็บทั้งหลายมีเหตุทําให้เกิดใช่ไหมความหายโรคนี่ยาใช่ไหมสร้างขึ้นยาเป็นตัวผลิตความหายโรคใช่ไหมเขาบอกว่าโรคเกิดจากสมุทฐานที่ทําให้เกิดโรคจริง แต่ยาทั้งหลายที่กินแล้วดับสมุทฐานเนี่ยถ้ากินเสร็จดับสมุทฐานได้แล้วความหายโรคก็จะปรากฏขึ้นความหายโรคยาใช่เป็นตัวสร้างขึ้นใช่ไหมไม่ใช่ความหายโรคไม่ใช่ยาสร้างขึ้นแต่ยานี่แหละเป็นเหตุให้ อ, อ่หมายาว่าเป็นวิธีที่ทำให้ถึงความหายโรคแต่ไม่ใช่ว่ายาเป็นตัวสร้างความหายโรค ยิ่งคิดยิ่งยาวนะพระพระพิสูจน์นี่ท่านก็มา ค, คิดไปคิดไหมนิพพานเนี่ยเป็นอสังคตะเอ๊มเป็นสเหตุกะหรืออะเหตุกะตกลงเอายังไงพระองค์ก็ทราบเนื้อความที่พระพิสูจ์ท่านคิดพระองค์ก็เปล่งอุทานที่ประกาศถึงเหตุ น, นะประกาศเฉพาะว่านิพพานเนี่ยนะอมตะมหานิพพานเนี่ยมีอยู่โดยประมาถะคือมีอยู่โดยความเป็นของจริงแท้มีอยู่จริง ที่ประกาศว่าธรรมชาติที่เป็นอะชาตังอภูตังอกะกตังและอะสังกตังมีอยู่จริงเนี่ยประกาศทําไมเหตุผลแรกก็บอกว่าประกาศเพื่อกําจัดความสงสัยของเหล่าพระพิสุเอ๋อพระพิสุท่านมาคิดดูหรือว่าสิ่งนิพพานที่พูดเนี่ยไม่มีอยู่จริงพระองค์ก็บอกว่ามีอยู่จริงนะขณะเดียวกันเพื่อกแก้ลับที่มิจฉาทิฐิของสมณะพราหมณ์ในโลกนี้ผู้ปฏิบัติผิดผู้เป็น มีคตินาแนนเครื่อมากไปด้วยมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะนอกนี้ทีเดียวเหมือนอย่างผู้ที่ยึดถือโลกเป็นใหญ่ว่นานิพพานนิพพานอันนี้ก็เป็นเพียงแต่เรื่องที่พูดกันเท่านั้นแต่ความเป็นจริงว่าโดยปรมัทินิพพานของพวกเดียรถีไม่มีอยู่จริงอย่างอย่างที่เขาบอกว่ามีนะโลกที่เป็นอมตะเขาบอกว่าโลกที่เป็นอมตะมีอยู่จริงโดยคาเท่านั้นแต่ไม่มีอยู่จริงโดย สภาวะอันนั้นคือกลุ่มคําพูดของเราเดียร์ีคือคุณลทัทธิอื่นเนี่ยนะเขาเชื่อว่าที่นั่นเนี่ยไปอยู่อมะตะอย่างเขาบอกว่าที่แห่งหนึ่งแล้วเนี่ยนะถ้าเราเกิดที่นั้นและใช้ชีวิตนิรันดร น, นะชีวิตนิรันดรหลังจากความตายนะมีอยู่จริงไหมที่ตรงนั้นที่ว่าเนี่ยนะมีอยู่จริงไหมก็เชื่อกันว่ามีอยู่จริงแต่ว่าจริงไม่จริงเนี่ยพระพุทธเจ้า ป, ปฏิเสธว่าไม่มีอยู่จริงอย่างที่พูดกันหรอก ะนะเมื่อเมื่อไปอยู่นะตำแหน่งไหนแล้วจะจะอมตะทาววอใช่อย่างบางรัฐที่เขาถือว่าถ้าตกนรกก็ตกทาววเลยนะขึ้นสวรรค์ก็ขึ้นนิรันดร อ, อีกเหมือนกันแต่พระพุทธศาสนาไม่ได้ถือว่าอย่างนั้นการตกนรกหรือขึ้นสวรรค์เป็นสิ่งที่เป็นไปอย่างอย่างสืบเนื่องกันไปไม่ใช่ว่าจะต้องตกนรกทาววแล้วก็มาเดบแปลว่าขึ้นสวรรค์นิรันดร อ, อะไรนะไม่ใช่อย่างนั้น มันบางพวกบางลัทธิเขาถือว่าสวรรค์นี่เป็นสิ่งที่มีอยู่โดยหมายค่ะว่าผู้ใดเกิดในสวรรค์จะต้องอยู่ในสวรรค์นิรันดรนไม่ใช่แบบนั้นนะนิพไม่ได้มีสิ่งนั้นอย่างที่ที่ว่าจริงอยู่หรอกเพราะว่าสวรรค์ก็มีอายุขใช่ไหจ่าตุมกี่ปีกาวล้านปีเนี่ยนะหรือว่า5้าร้อปีทิพดาวดึงก็พันปีทิพยามาก็เท่าไหร่สองอะไรนะ ดาวดึงเนี่ยพันปีทิพชัยไอ่าใช่พันปีทิพดาวดึงก็สองอ่าดาวดึงพันปีทิพยามาก็สองพันปีทิพดุสิตก็สี่พันปีทิพ น, น, น, นิมมารดีก็หกพันปีทิพปรนิมมิตตะวัสวดีก็เท่าไหร่พันหกร้อยปีทิพใช่ไหมนิมมารดีเนี่ยแปดพันปีทิพอย่างเงี้ยก็มีอายุ ข, ของเขาอ่ะนะก็ไม่ได้แปลว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของที่อมตะทาวออะไรหรอก มันพระองค์พูดถึงนิพพานเนี่ยนะเพื่อที่จะ ก, กาจัดความสงสัยของพระพิสุวรนิพพานเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงขณะเดียวกันก็ปฏิเสธเหล่าลทัทธิอื่นๆปฏิเสธลทัทธิอื่นๆว่านิพพานอันเนี้ยไม่ใช่แบบของเดียวกับของท่านนะสรุปว่านิพพานนี่มีอยู่4ี่คำเห็นหอัชาตังอภูตังอกะกตังและอะสังคตังนิพพานที่ชื่อว่าอัชชาตังเพราะนิพพานไม่เกิด คือไม่เหมือนกับการเกิดในนรกเปรตอสุรกายเดรชาแมนุษย์และเทวดาไม่ใช่การเกิดแบบนั้นเพราะพระนิพพานเนี่ยไม่ได้เกิดแบบรูปเกิดไม่ได้เกิดแบบเวทนาเกิดสัญญาสังขารและวิญญาณเกิดพระนิพพานไม่ใช่รูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณนิพพานเป็นขันธวิมุติเหมือนขนขณะเดียวกันพระนิพพานเนี่ยเป็นอะภูตะอภูตะเนี่ยนะไม่เหมือนกับอะไร ภูตะก็คือเพราะเว้นจากเหตุและตนเองเสียไม่มีไม่ปรากฏคือไม่เกิดคือนิพานเนี่ยไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่แบบแบบอะไรนะแบบรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่แบบอยู่นิพานมีอยู่แบบเราๆท่านๆที่นั่งกันอยู่นี้ไม่ใช่มีแบบนี้ก็เลยเรียกว่าอาภูตะไม่ใช่มีแบบขันอายตนะธาตุเหล่านี้นิพานบอกว่าอากตะ เพราะเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ใช่เป็นตัวสร้างให้นิพานเกิด น, นะอากตะไม่มีอะไรทําให้นิพานเกิดได้ขณะเดียวกันเนี่ยบอกว่านิพานเป็นอสังคตะใช่ไหมสังคตะคืออะไรแสดงว่าสังคตะมีนามรูปเป็นต้นมีการเกิดมีมีการสร้างเป็นสภาวะนิพานเนี่ยชื่อว่าเป็นอสังคตะเป็นสภาวะ น, นะเพราะว่านิพานไม่ใช่มีแบบ สังคตะธรรมทั้งหลายก็บอกว่าเมื่อว่าโดยปฏิโลมตรัสว่าสังคตะธรรมเพราะถูกปัจจัยอาศัยการสร้างให้มีขึ้นท่านบอกว่านิพานเพราะไม่มีปัจจัยเนี่ยสร้างขึ้นเพราะเว้นจากลักษณะที่มีการก่อสร้างขึ้นนิพานไม่เหมือนกับตึกรามบ้านช่องที่มีการก่อสร้างขึ้นเพื่อจะแสดงว่านิพานนั้นแหะไม่บังเกิดด้วยเหตุมากมายเหมือนกับสังขารทั้งหลาย นิพพานไม่มีปัจจัยอะไรอะไรสร้างขึ้นเพื่อบางคนก็รังเกยียจว่านิพพานเนี่ยมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งตกแต่งหรือหนาพรันนิพพานเนี่ยไม่ได้มีถูกอะไรตกแต่งขึ้นหรอกบางพวกก็บอกว่าเมื่อพระนิพพานไม่มีปัจจัยปรุงแต่งบางคนก็รังเกยียจว่าเอ็นิพพานเนี่ยปรากฏขึ้นเองหรือหนอนิพพานเนี่ยขึ้นเองมาเลยลอยใช่ไหมบอกไม่ใช่ไม่ได้เกิดลอยลแบบนั้น เขาบอกว่าเอ๊ะนิพานเนี่ยไม่มีปัจจัยปรุงแต่งไม่ได้แต่งขึ้นไม่มีขึ้นแบบแบบสังขารธรรมทั้งหลายจะมีได้เพราะนิพานมีการไม่เกิดเป็นธรรมดาโดยประการทั้งปวงเพราะนิพานนี่ไม่ได้มีการทําให้เกิดขึ้นอะไรเขาเรียกว่าอัจฉริตังอันนี้อธิบายว่านิพานไม่เกิดไม่ไม่ได้มีอยู่แบบสังขารธรรมทั้งหลายแล้วก็ไม่ได้มีอะไรสร้างขึ้นแบบสังคตธรรมขณะเดียวกันนิพานเป็นที่ดับสังคตธรรมทั้งหมด พระองค์ประกาศว่านิพานมีอยู่โดยประมาถะประมาถะแปลว่าเนืน้อความที่จริงแท้โดยบาลีว่าภิกษุทั้งหลายนิยพานนี่มีอยู่เนี่ยอธิบายว่าภิกษุทั้งหลายถ้านิพานไม่นิพานเนี่ยไม่มีอยู่จริงถ้านิพานไม่มีอยู่จริงการออกจากวัตะก็มีไม่ได้ภิกษุทั้งหลายถ้ า, าสังขตะคือสภาวะที่ไม่เกิดเป็นต้นเนี่ยไม่ได้มีหรือจักไม่มีไซ รือถ่านิพานไม่มีนะการสลัดออกหรือการสงบโดยสิ้นเชิงจากสังคตะคือขันห้ามีรูปซึ่งมีสภาวะการเกิดเป็นต้นไม่พึงปรากฏไม่พึงเกิดหรือไม่พึงมีในโลกนี้เนื่องจากนิพานมีอยู่การออกจากวะตฏะจึงมีได้อธิบายว่าจริงอยู่ธรรมะคืออริยมรรคมีสัมมาทิฐิเป็นต้นเนี่ยนะองค์มรรคดกระทาพระนิพานให้เป็นอารมณ์ จึงเกิดขึ้นตัดกิเลสทำให้ไม่นำไปสู่การเกิดในภพใหม่ก็เนื่องจากมรคมีองค์แปดแทงตลอดพระนิพพานกิเลสที่เป็นเหตุนำให้เกิดในภพหม่จึงไม่มีอีกต่อไปผนพระนิพพานนั้นจึงเป็นธรรมะที่สลัดออกจากวัฏฏทุกทั้งสิ้นเนี่ยมีได้อย่างนี้ก็เนื่องจากว่านิพพานนี้เป็นอารมณ์ของอริยมรร การปฏิบัติธรรมของเราท Polski, ั้งหลายเนี่ยนะถ้าถ้าทําให้พูดให้ถูกต้องเนี่ยการปฏิบัติเพื่อสร้างเพื่อเจริญให้อริยมรรคเกิดขึ้นเมื่ออริยมรรคเกิดขึ้นแทงตลอดพระนิพพานแล้วจักทาที่สุดแทงวัตถทุกขได้ไม่ใช่บุญกุศลเนี่ยเป็นตัวไปสร้างนิพพานแต่เป็นการเจริญกุศลธรรมเพื่อให้อริยมรรคเกิดเมื่ออริยมรรคเกิดแทงตลอดพระนิพพานแล้วก็จะดับวัตถทุกขได้ ก็ในที่นี้เพราะเหตุที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อจะอนุเคราะห์แสดงแก่สัตว์โลกทั้งมวล น, นะนะแสดงถึงความมีอยู่แห่งพระนิพพานนิพพานมีอยู่โดยประมัติอย่างที่บอกว่าธรรมที่ไม่ไม่มีปัจจัยธทำที่เป็นอสังขตะอายตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นอ่ะไม่มีปทวีธาต์เลยนิพพานไม่ใช่มีรูปธรรมและอรูปธรรมอยู่ในนิพพานเลยแล้วก็ฐานะคือนิพพานนี้เห็นได้ยากธรรมะที่สงบกิเลส พระ อ, องค์บอกว่าเราจะแสดงอาสังคตะธรรมและข้อปฏิบัติให้ถึงอาสังคตธรรมแก่เธอทั้งหลายพิสูจนทั้งหลายนิพานไม่เกิดไม่แก่มีอยู่ในพระไตรปิฎกเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงถึงนิพานมีอยู่5้าค้สูตรหรือหกลุ่มใหญ่ๆ ห, หกลุ่มก็นะอาเช่นอะไรธรรมะไม่มีปัจจัยธรรมะที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งเรียกอาสังคตะนี่ในสูตรที่กลุ่มที่1กลุ่มที่2บอกว่า นิพพานเนี่ยอายตนะคือนิพพานมีอยู่แต่ว่าเป็นที่ที่ไม่มีปฐวีธาตุเป็นต้นเลยกลุ่มที่สบอกว่าฐานะคือนิพพานนี่เห็นในย่ากกลุ่มที่4ีภิกษุทั้งหลายเราจะแสดงอสังขตะธรรมกลุ่มสูตรที่5นิพพานไม่เกิดมีอยู่ฉะนั้นถ้าวินยูชนผู้กระทํำไม่ให้ประจักษ์ในนิพพานไซก็ย่อมไม่มีความสงสยัยหรือมีความเคลือบแคลงเลยสรุปนะถ้าใคร บรรลุนิพานจริงอ่ะนะจะสงสัยเคลือบแคลงในนิพานไหมไม่ที่เคลือบแคลงสงสัยก็เพราะไม่แทงตลอดพระนิพพานมือนคนที่สงสัยในพระนิพพานนี่แหละเกิดเกิดความเคลือบแคลงเหมือนพระองค์เพื่อจะบรรเทาความเคลือบแคลงของบุคคลเหล่านั้นในการแนะนําผู้อื่นจึงแสดงว่านิพานเป็นที่สลัดออกจากวัฏะมีอยู่การสลัดออกเออขออภัย การสลัดออกตรงนั้นเนี่ยเป็นชื่อของอะไรนะเนคขมมะใช่ั้ยอันเป็นปฏิปักษ์ต่อกามและอารมณ์เนี่ยนะเป็นที่เวียนสายคือมีสภาวะผิดตรงกันข้ามย่อมปรากฏโดยมุก ค, คือการถอนออกจากทุกข์หรือเพราะกำหนดรู้อันมีการพิจารณาที่เหมาะสมพระนิพานอันเป็นปฏิปักษ์ต่อสังคตะธรรมทั้งหมดซึ่งมีสภาวะเป็นเช่นนั้นคือมีสภาวะตรงกันข้ามจากนั้น นิพพานเนี่ยเนื่องจากว่าเป็นสภาวะที่ตรงกันข้ามจากวัตตะทั้งหมดจึงสา ม, มารถสลัดออกจากวัตตะได้พระนิพพานนั้นเป็นเครื่องสลัดออกจากทุกขพระนิพพานจึงคืออสังคตะก็บอกว่าเพื่อความเข้าใจอีกเล็กน้อยฟั ง, งั้นเพื่อให้ให้เข้าใจยิ่งขึ้นอีกเล็กน้อยนะวิปัสสนาญาณมีอะไรเป็นอารมณ์วิปัสสนาญาณหรืออนุโลมญาณเนี่ยนะมีสังคตะทำเป็นอารมณ์เพราะมี ขันห้าเป็นอารมณ์นิพวิปัสนาญาณทั้งหลายเนี่ยนะอนุโลมายานเนี่ยเนื่องจากมีสังคตะทำเป็นอารมณ์จึงไม่สามารถตัดกิเลสได้อย่างเด็ดขาดถ้ายังมีรูปเป็นอารมณ์ยังมีเวทนามีสัญญามีสังขารมีวิญญาณมีตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นอารมณ์อยู่ตัดกิเลสไม่ได้จริงหรอกอนะเหมือนอย่างว่าถ้าเราเหยียบสิ่งใดอยู่เราออกจากสิ่งนั้นได้จริงไหมออกไม่ได้ใช่ไหม ถ้าเรายังอยู่ในรถเนี่ยนะนั่งนงอยู่บนรถเราออกจากรถได้จริงไหมไม่ได้จริงฉันใดก็ดีวิปัสสนาญาณถึงจะพิจารณาขณะไหนก็ยังอยู่ในสังสารวัฏยังไม่ได้ออกจริงอะไรขณะเดียวกันฌานทั้งหลายมีปฐมฌานเป็นต้นก็มีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์ใช่ไหมพรหมวิหารมีอะไรมีปิยมนาปะสัจเป็นอารมณ์มี สุขิทัสสัตเป็นอารมณ์มีทุกขิทัสสัตเป็นอารมณ์มีมัชชะตัสส์เป็นอารมณ์พวกนี้มีสมมุติเป็นอารมณ์ก็ละกิเลสได้เพียงแต่วิขำถ้ประหารเท่านั้นเพียงแต่ข่มกิเลสได้เช่นว่าเมตตาก็ข่มโทสะได้กรุณาก็ขม่มวิหิงสาเป็นต้นได้แต่ก็ไม่ได้ตัดกิเลสอย่างเด็ดขาดแท้จริงอะไรอริยมรรคนี่สิอริยมรรคกระทำการละกิเลสได้เด็ดขาดเนี่ยนะถามว่ามีอะไรเป็นอารมณ์ จึงสามารถละ ก, กิเลสได้เด็ดขาดเนื่องจากมีนิพพานเป็นอารมณ์เพราะพระนอิอริยมรรคยานเนี่ยนะไม่เหมือนกับวิปาาัสสนาญาณอริยมรรคยานก็ไม่เหมือนกับฌานตรงกันข้ามเพราะมรรคยานนั้นวิปัสสนาญาณมีสังขตะเป็นอารมณ์ฌานมีสมมุติสัจจะเป็นอารมณ์ไม่สามารถตัดกิเลสได้ แต่อริยมรรคนั้นมีอสังขตะธาตเป็นอารมณ์จึงตัดกิเลสทั้งทั้งหมดได้อย่างเด็ดขาดพระนิพพานพระดํารัสที่พระองค์แสดงทั้งหมดเนี่ยส่องถึงว่าพระนิพพานนั้นมีอยู่โดยปรมัาทพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่ามีอยู่โดยอัฏฐะที่ไม่ผิดแผกหมายคือว่าเป็นสิ่งที่จริงแท้เพะนั้นสรุปว่าพระนิพพานที่ไม่เกิดนะไม่ได้มีไม่ได้มีแบบที่ที่เรารู้กันเนี่ยนะแล้วก็เป็นสิ่งที่ ถูกปัจจัยปรุงแต่งแล้วก็เป็นธรรมะที่ดับสังคตะธรรมเนื่องจากว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่จริงนะการออกจากวัตฏะจึงมีได้แต่ทีนี้การที่จะบรรลุพระนิพพานเนี่ยนะทำยังไงบ้างผู้ที่พิจารณาสังนะอย่างอย่างในธรรมบทเนี่ยประกาศไว้ชัดเจนว่าเมื่อใดบุคคลเห็นด้วยปัญญาว่าสังขารทั้งปวงไม่เที่ยง เขาย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัตทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานคือทางที่จะทําให้บรรลุพระนิพพานได้เมื่อใดบุคคลเห็นว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุก์เขาย ai, ่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่ายในวัตทุกข์นั่นแหละเป็นทางแห่งพระนิพพานเมื่อใดบุคบคลเห็นธรรมทั้งปวงว่าเป็นอนัตตาเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัตทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงความเบื่อหน่าย ในวัตถุกในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานพระนิพพานเนี่ยนะเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงแต่ที่จะปร ะ, ประสบกับความจริงอันนี้ต้องเห็นสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงเห็นสังขารโดยความเป็นทุกข์และเห็นธรรมโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะถ้าตรัสรู้ตามนั้นได้จะแทงตลอดพระนิพพานมันข้อปฏิบัติที่จะทำให้บรรลุนิพพานเนี่ยนะถ้าสรุปสรุปก็เหมือนกับที่เราสดวดธรรมวช้านั่นแหละ ถ้าพิจารณาตามนั้นจริงๆแล้วเห็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยนะเป็นอัธยาศัยเห็นอย่างนั้นเป็นชีวิตจิตใจ จ, จริงก็บรลุนิพานได้แต่ถ้าไม่เห็นตามนั้นจริงก็เอาไว้ก่อนเอาไว้ก่อนก็อยู่แบบอยู่ก่อนแบบเราเนี่ยนะจะรีบไปไหนพักเดี๋ยวไงนึกว่าพันธนิพานนั้นจึงมีอยู่โดยปรมาตตามที่เป็นจริงอะนะ คำพูดว่าปรามัดเนี่ยไม่ใช่แบบพูดอ้อมคำพูดบอกนิพพานมีอยู่จริงเนี่ยเป็นการพูดชี้ชัดไม่ใช่พูดเฉียวเฉียวพูดอ้อมอ้อมนะไม่ใช่พูดอุปจาระอุปจาระก็พูดเฉียดเฉียดนะอันนี้ไม่ได้พูดเฉียดนะพูดจริงเลยแหละว่านิพพานมีอยู่จริงมีอยู่โดยปรามัตดเพราะว่าพระนิพพานมีสภาวะพ้นจากปัตวีธาตุพ้นจากเวทนานิพพานตรงกันข้ามกับธาตุสี่นิพพานตรงกันข้ามกับเวทนาถามว่ารู้ได้ยังไงรู้ว่า มหาพูทธรูปมีสี่ใช่ปฐวีอาโปเตโชและวาโยท่าสี่ท่าสี่นี้มีอัสสาะนะมีความน่ายินดีใช่ไหมท่าสี่มีโทษไหมอาทีนวะขณะเดียวกันนิพานเป็นนิสรณนะสลัดออกจากท่าสี่อันนั้นก็ในจุลนิเทศแสดงว่าเหตุเกิดของท่าสี่ความดับท่าสี่อัศสสาธาแห่งท่าสี่โทษของท่าสี่แล้วก็ทำเป็นที่สลัดออกจาก ธาตสอุปาทานขันธ์หนะเหตุเกิดของอุปาทานขันธ์ห้าความดับอุปาทานขันธ์หอัสธาธาของอุปาทานขันธ์ห้าโทษของอุปาทานขันธ์ห้าแล้วก็นิสรณ ะ, ะของอุปาทานขันธ์หถ้าผู้ที่ปฏิบัติรู้เหตุเกิดความดับละอัสธาธาเห็นโทษอาทีนวะของขันธ์ห้าจักแทงตลอดธรมที่สลัดออกจากขันธ์ห้าก็คือสามารถที่จะต้องตัดเยื่อใยจากขันธ์ห้า ถ้าจะออกจากขันท่าได้จริงก็ต้องเมื่อมีนิพพานเป็นอารมณ์เนื่องจากมีนิพพานอยู่นิพพานมีอยู่จริงจึงมีการออกจากขันท่าได้จริงถ้าไม่มีนิพพานอยู่จริงออกจากขันหน้าไม่ได้อยู่จร uh ิงก็เหมือนอย่างที่ว่านะถ้าไม่มีที่อื่นที่เหยียบใหม่นะจะออกจากที่ที่เรานั่งอยู่ตรงนั้นได้ไหมไม่ได้จะต้องมีอีกที่หนึ่งอะนะจึงออกจากอย่างสมมุติถ้าเราไม่ได้ออกจากบ้านเอายังอยู่ในบ้านนี้เราจะออกจากบ้านถ้าไม่ได้ไปอยู่ที่อื่นจะออกจากบ้านได้ไหม วัตตะในภูมิสามก็เหมือนกันถ้าไม่มีนิพพานนะจะออกจากสังขารไม่ได้จะออกจากวัตตะไม่ได้เนื่องจากมีนิพพานจึงการออกจากสังขารจึงจะมีได้ก <c oughs> ็อย่างที่ว่านะทวนอีกครั้งหนึ่งอริยศาสตร์นี่มีสี่ประการใช่ไหมทุกขสมุทยัยนิโรธมรรคเช่นถ้าทุกขมีอยู่ความดับทุกขก็ต้องมีถ้าจักขุมีอยู่ธรรมะที่ดับจักขุมก็ต้องมี ถ้าโสตมีอยู่ธรรมะที่ดับโสตะก็ต้องมีนะก็ต้องมาคิดระหว่างสองสิ่งเนี่ยจะ ต, ต้องมาแยกอะไรนะาภาษาปฏิสัมพิทาก็บอกว่าอาทีนวะยานกับสันติบทญานญานะที่พิจารณาถึงโทษของวัตตกับญานะที่พิจารณาธรรมะที่สงบจากวตตะจะต้องมาแยก2ส่